ใจหลับจิตตื่นสังเกตดูเวลาเรานั่งสมาธิที่แรกเรานั่งสมาธิกำหนดจิตรู้อารมณ์รู้ไปรู้ไปรู้ไปสายสัมพันธ์แห่งความตั้งใจมันยังไม่ขาดพอไปแล้วมันวูบลงไปมันตัดสายสัมพันธ์จากปกติธรรมดาไปสู่สภาวะหนึ่งคือความหลับพอมันวูบลงไป จิตหยุดวูบนั่นคือการหลับถ้ามันหลับไม่ตื่นก็หลับมืดไปอย่างธรรมดาทีนี้ถ้ามันหลับตื่นอีกสติมันตื่นขึ้นมามันก็รู้อยู่เฉพาะในจิตนั่นจิตเข้าสมาธินักภาวนาเมื่อนอนแล้วก็ต้องกำหนดจิตรู้อารมณ์คิดไปรู้ไปคิดไปรู้ไปรู้ไปรู้ไป เคลิมไปเคลิมไปเคลิมไปหลับปุ๊บลงไปถ้ามันหลับอย่างธรรมดามันก็มืดมิดไปธรรมดาแต่ถ้าหลับแล้วจิตเป็นสมาธิมันตื่นอีกภาวะหนึ่งมันก็รู้อยู่เฉพาะในจิตถ้าบางทีมันส่งกระแสออกไปนอกมันก็เกิดฝันขึ้นมาเวลาเรานั่งสมาธิก็เหมือนกันเมื่อจิตมันหลับปุ๊บลงไปมันตื่นอีกทีหนึง่ง ถ้ามันนิ่งอยู่เฉยๆมันก็รู้สว่างอยู่ถ้าเวลามันส่งกระแสออกนอกมันจะเกิดมโนภาพขึ้นมากลายเป็นนิมิตนิมิตกับฝันมันก็เหมือนกันอันเดียวกัน